ยกตัวอย่างว่ารูปารม์เนี่ยนะเป็นอารมณ์ของศีลได้ไหมได้เอาใหม่ก่อนว่าศีลคืออะไรศีลคือเหนศะีลคือศีละนะนั่นเองหั้นคำว่าศีละนะคือสมาธานังกับอุปธารนังเห็นะ สมาทานนั่งก็คือการตั้งไว้ซึ่งกายวาจาด้วยดีไม่เกลื่อนกล่นเป็นต้นเนี่ยนะอุปธานนังก็คือลักษณะเข้าไปรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้หมายถึงสมถะวิปัสนาแต่ที่จริงแล้วหมายถึงอริยมรรคอริยผลนั่นแหละซึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายของการเจริญศีลอธิศีลสิกขาอันนี้ที่เรียกว่าศีละนะแต่ถ้าเป็นสีนธรรมดาทั่วไปก็คือคิดจะใหะ้คิดจะสมาทาน ปลาโรครักษาศีลทั่วไปเฉยๆเนี่ยนะจะต่างจากศีลละนะเพราะว่าศีลอันนี้เนี่ยผู้ที่รักษาศีลที่ว่าจะประเภทรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะต้องมาแบ่งประเภทว่าศีลเนี่ยมีกี่อย่างสามารถที่จะตอบในลักษณะนี้ได้ด้วยหรือว่าถามว่าศีลเนี่ยมีลักษณะที่จตุกะอย่างไรอันนี้เขาก็ตอบได้คือมีความเข้าใจในลักษณะที่จตุกะของศีลเป็นอย่างดีแล้วก็รู้ว่า ศีลเนี่ยมีอนิสงส์อย่างไรแล้วสา ม, มารถว่าศีลโดยประเภทเนี่ยมีกี่อย่างอะไรบ้างศีล น, นับหนึ่งได้ไหมนับสองนับสานับสีนับห้านับนับแค่ห้าพอนะอนะนับห้าได้ไหมแล้วก็ศีลเหล่านี้นี่มีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองศีลนี่มีอะไรเป็นความผ่องแพ้วเพรา ะ, ะนั้นเขามีความรอบรู้ในเรื่องศีลอย่างอย่างบริบูรณ์ซึ่งต่างจากเกี่ยวกับเรื่องทาน ให้ยังไงให้กับใครให้ที่ไหนให้เมื่อไรให้ยังไงแล้วเขาจะดีใจเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าการให้เหล่านั้นเนี่ยการให้บางอย่างเป็นศีลการให้บางอย่างเป็นศีลเช่นการให้ที่ปรารบวัดเนี่ยนะการให้ที่ปรารบวัดนั้นเป็นเป็นศีลกุศลอ่าเป็นจารีตศีลเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นการให้ทั่วไปโดยเรียกว่านักแสวงบุญทั้งหลายเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่ แต่ว่าเป็นการให้เช่นให้พ่อให้แม่แล้วปรารบจารีตของตัวเองเนี่ยนะปรารพจารีตแบบแผนที่ที่จะลูกที่ดีทั้งหลายจะต้องประพฤติกันหรือว่าลูกศิษย์ทั้งหลายเขาจะเพึงประพฤติกันเนี่ยน ะ, ะเมื่อปรารพจารีตมากอันนี้ก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้อยู่ในประเภทของเจตนาศีลเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อศีลทั้งหมดเนี่ยเป็นศีละนะเมื่อเป็นศีละนะตัวศีลก็ได้แก่ตัว เจตนาเจตสิกสังวร อ, อวิติกมะเหนะ็นไหมตัวศีลก็คือตัวธรรมะเหล่านี้นั่นเองอเนี่ยนะเป็นเป็นตัวกุศลศีลซึ่งเป็นศีลณะนะเมื่อศีลณะนะเหล่านี้จะรองรับอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะซึ่งศีลทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปเพื่ออะไรนะเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตเนี่ยนะศีล เหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตและต่อไปเป็นไปเพื่อปราโมทปราโมทเป็นไปเพื่อปิติปิติเป็นไปเพื่อปสัปสสัต t h ปัสสัต t h เป็นไปเพื่ อ, ส, อสุขสุขหรือโสมนัสนี่ยถ้าปฏิสัมพินธ์ท่านใช้คําว่าโสมนัสเป็นไปเพื่อโสมนัสเป็นหรือความสุขนั่นเองสุขก็เป็นไปเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นศีลเหล่านี้จะพัฒนาไปหา สมาธิที่เรียกว่าอาธิจิตตสิกขาต่อไปแล้วก็อธิจิตตสิกขาก็จะต่อไปเป็นอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะอธิปัญญาสิกขาออพอมาถึงตรงนี้ก็น่าสนใจที่ว่ามันจะพัฒนาไปถึงไปถึงสุขนะครับคือตั้งแต่ปราโมทปิติไลไปถึงนู่นนะครับสุขปสัสสติแล้วก็ไปถึงเป็น เป็นสมถะว่างั้นเถอะอันนี้เนี่ยนะฮะมันต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปหรือไม่ครับคือรักษาศีลแล้วไม่เกิดประโมทไม่เกิดปิติแต่ก็สามารถไปเจริญสมถะหรือวิปัสนาได้เนี่ยมันมันยังไงครับมันหรือว่าต้องผ่านขั้นนี้ไม่ทุกการว่าเนี่ยมันมันมันมีภาพอย่างอื่นมาเทียบเทียงด้วยหรือเปล่าไม่มีฮะ คือคืออยากจะรู้ว่าท่าเราจะปฏิบัตินี่นะฮะเรารักษาศีลเนี่ยจนกระทั่งเราต้องเกิดประโมททุกไม่จึงจะถึงจุดระดับที่เรียกว่าเออศีลของศีลของของท่านในะดได้ระดับแล้วนะได้พอสมควรแล้วมันจะได้เป็นฐานรองรับที่จะไปเป็นสมาธิหรือว่าวิปัสนาหรือว่าไม่จำเป็นอย่างนี้เราเพียงแต่ว่ามีศีลบริบูรณ ปริปุนนศีนสมมุติอย่างงั้นเน่ยเมื่อเมื่ อ, อพลาดไปก็สมาทานใหม่หรือว่าก็ไปไปอะไรอะ่ะอย่างพระนี่ก็บรรยายว่ไปโรงอยาบาเสียอย่างเงี้นะฮะอย่างงั้นหรือเปล่าครับหรือว่าต้องเป็นไปตามนี้ครับอันนี้คือเปรียบเทียบระดับของกุศลธรรมเลยน ะ, ะไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าไอ้พฤติกรรมนี่จะออกมาอย่างไร แต่พูดถึงว่ากุศลจิตที่ถ้าได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเจริญเติบโตตามลำดับแบบนี้นจะต้องเป็นไปตามลำดับแบบนี้ก็หมายความว่าในสมัยเอาสมัยเป็นกาลสมบัติเลยนะที่พระโยคาวจรซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้ออกบวชแล้วก็จะต้องมีศีลสิกขาอย่างดีว่างั้นเถอะ ศีลสิก ข, ขานี่ต้องต้องต้องสมบูรณ์พอทีเดียวคงจะต้องผ่านปราโมทปิติสุขนี้ขึ้นไปคือถ้าถ้าธรรมดาเนี่ยนะเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าศีลดีๆเนี่ยลองเจริญพุทธคุณดูถ้าเจริญพุทธคุณไปเรื่อยนะคือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพุทธคุณดีเลย อรหังหมายคขาว่ายังไงสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโตบริสธรรมสาระติสัตถาเทวมนุสสานังพุโทโธพระกาวาแล้วก็ตถาคตเนี่ยนะทุกบททุกบทขยายได้อย่างละเอียดพิสดารเลยแล้วเจริญตามระ ล, ลึกไปเรื่อย ๆ, ๆโดยที่ไม่ไม่นึกกินแหนงตัวเองเลยมีไหมนั่นแหละเราเรียกว่าคนศีลดีละแต่ถ้าในระหว่างนึกน ะ, ะวันนั้นทําไมเราพูดคํานั้นน ะ, ะามาแล้ว ถ้าหากว่าเดือดร้อนเอ๊ะพฤติกรรมวันนั้นคําพูดวันนั้นเกี่ยวข้องกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะยังมีเรื่องราวพวกนี้มาเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกบ่อยเนี่ยนะอารมณ์อื่นมาแทรกในระหว่างที่กําลังเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นนั้นอยู่นั่นก็แสดงว่าศีลไม่ดีประเภทอินทรีย์สังวรศีลไม่ดีเนี่ยนะเพราะว่าศีล น, นั้นที่เป็นอธิศีและิกขานั้นอะ่ะโดยเฉพาะไอ สติสังวรยานะสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรเนี่ยนะสังวรเหล่านั้นจะต้องดีจริงๆจึงจะสามารถไปเจริญกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปได้ที่เรียกว่าเจริญสมถะทีนี้ถ้าหากว่าเจริญพุทธคุณดีอาแล้วมาทำปริญญาในแต่ละอารมณ์ดูนี่เนี่ยนะยกโอลาลิกรูปมาเลยเนี่ยนะเอาจักุขมาทำปริญญาสามเนี่ยนะเอาสีมาทำปริญญาโสตะเนี่ยนะมาทาปริญญาสาม เสียงมาทำปริญญาสามเนี่ยนะเอาโดยปริญญาเนี่ยนะตามหลักปฏิสัมพิทาเป๊ะเลยมาลองใร่ครวนดูทบทวนดูตามวิสุทธิมัตตปัญญานิเทศเลยเนี่ยนะทุกบททุกขั้นตอนตามลำดับนั้นไปลองดูว่าเจริญไหมหรือเอาพระสูตรสูตรใดมาตรึกเลยนะตามลำดับเพราะว่าพระสูตรทั่วไปนี้จะมีอธิสิลัสิกขาที่เจตสิกขาที่ปัญญาสิกขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะ แล้วก็ในแต่ละสูตรแต่ละสูตรนั้นอัตถกถาท่านก็ให้แนวขยายตามต ว, วิสุทธิมรรทั้งหมดเลยแล้วก็ลองเอามาเพ่งมาตรึกดูถ้ายังมีอารมณ์ใดที่ยังไม่สบายใจว่างั้นเถอะมันเหมือนกับว่าเรามันมันขาดสักอย่างหนึ่งนะทานอาหารไปเมันขาดอะไรทุกเล็กอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าไม่ได้ไต่ของเค็มๆ เ, มเมรื่ออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็แสดงว่าศีลเราไม่ค่อยดีทีนี้อคําว่าศีลไม่ดีเนี่ยนะ ในความหมายอธิศีลปศิขานั้นแม้แต่ไปรับอารมณ์อะไรมาแล้วใจเป็นบาปเนี่ยนะขณะที่เห็นด้วยโลภะนี่ยก็ชื่อว่าศีลไม่ดีละหรือไป น, นึกตําหนิใครด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยน ะ, ะด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยนะโทสะเกิดในผู้ใดผู้หนึ่งอันนั้นก็ชื่อว่าศีลไม่ดีละเพราะไม่มีสังวรศีลหรือว่าอินทรีสังวรศีลไม่ใช่ว่าโโวันนี้นั่งสบายๆเงียบๆไม่ได้ทําอะไรใครเลย เแค่นั้นก็ยังไม่พอเราจะต้องตรวจสอบทั้งกายกรรมวาจีกรรมด้วยเหมมโนกรรมด้วยแล้วปั จ, จัจสี่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องต้องปัจเจกทั้งหมดด้วยเนกุศลธรรมเหล่านี้จึงจะเป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้เแต่ทีนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายของการเจริญศิกขาเหล่านี้เพื่ออะไรก่อนเนไมะนั้ น, นคน ท, ที่เจริญลักษณะนี้ต้องตอบตัวเองได้ว่า มีเป้าหมายอย่างไรเนี่ยนะังนั้นเป้าหมายต้องชัดเจนก่อนถ้าเป้าหมายชัดเจนแล้วการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้จะอนุวัตแก่กุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไม่มองในกุศลธรรมชั้นสูงนะเราก็นึกว่าเออแค่นี้พอละไอพอแล้วของเราเนี่ยนะหรืออย่างตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตมากอย่างถ้าเราทํายาตะปริญญาไม่เพียงพอนี่ยตีรณ ะ, ะปริญญานี่ก็ย่าง นะถ้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาตาปริญญาไม่พอเนี่ยนะลองไปนั่งตีระปริญญานั่งไข้ควรดูจริงๆเลยเราจะรู้ว่าไข้ควรได้หน่อยเดียวก็หมดละไม่รู้จะคิดอะไรต่อไปละทีนี้ถ้าตีระปริญญาชั้นธรรมนาอ่อนตีระปริญญาชั้นสูงก็จะอ่อนไปด้วยเนี่ยนะตีระปริญญาชั้นสูงอ่อนวิปัสณูปกิเลสไม่เกิดเนี่ยนะวิปัสณูปกิเลสไม่เกิดถ้าวิปัสณูปกิเลสไม่เกิด อนุปัสนาไม่เกิดเนี่ยนะอนุปัสนาเนี่ยจะไม่เกิดถ้าอนุปัสนานไม่เกิดเนี่ยนะชั้นสูงไปเนี่ยปิดหมดมันไปไม่ได้อะที่ไปไม่ได้เพราะการทำตั้งแต่ต้นต้นมาไม่บริบูรณ์เนี่ยนะการทำตั้งแต่ต้นมาไม่บริบูนะรณ์ั น, น, ทนทานกุศล น, นั้นโดยมากมันก็คิดแต่จะให้อย่างเดียวอย่างมากก็ มีปัญญาประกอบก็คือมีกรรมสกตาเข้ามานะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมสา ม, มารถรู้ทักขินาวิสุท ธ, ธิบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับเนี่ยนะทำยังไงผู้ให้จึงจะบริสุทธิ์ทํำยังไงผู้รับจึงจะบริสุทธิ์แล้วทีนี้วัตถุข้าวของที่จะให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะกุฏิหลังโอ้โหสร้างตั้งหลายวันกว่าจะเสร็จอย่างเงี้ยนะให้ให้ใหข้าวให้ของบางอย่างเนี่ยทาเป็นปีๆยังยังให้ไม่ได้เลยอะ่นะ คิดจะสร้างโบทสักหลังหนึ่งให้ทานอย่างเงี้ยนะโอยอยู่นั่นแหละวุ่นกับเรื่องหาช่างเออช่งนางคนนั้นขะ้าวคนไอปูนเนี่ยนะหินร้านนั้นอิดร้านนี่ก็คิดไปฮะอันนี้บริวารของทานนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเรื่องยาวเลยแล้วก็ไม่ได้กเกื้อกูลต่อสมถะวิปัสนาหรือว่าการแทงตลอดอริยศัสตร์เลยโดยธรรมดานะเว้นไว้แต่ว่าคนนั้นเข้าใจอธิศีลสิกขาที่จิตสิขาที่ปัญญา สิขาในการเจริญสมถเวิปัสนาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเขาให้ทานบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นในชั้นในชั้นกุศลประเภทภาวนาแล้วนะทานกุศลจึงไม่ใช่ตรงๆแต่จะได้โดยอ้อมเมื่อบุคคลให้ทานมากๆแล้วการให้ทานนั้นเป็นปัจจัยให้แก่การเจริญภาวนาได้นะคนที่ให้ทานมากให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะ วันหลังก็มาตามระลึกนึกถึงคาณกุณสที่เคยให้ไปเป็นเป็นอะไรจากานุสติกรรมฐานเนี่ยนะก็พัฒนาไปเป็นจากานุสติได้แต่อย่าลืมว่าการเจริญอนุสติทั้งหมดก็เพื่ออะไรเพื่ออนุวัตต่อการแทงตลอดอริยสัต์แล้วอริยสัตว์เนี่ยแทงตลอดอย่างไรนะการเห็นอริยสัตว์เนี่ยเห็นเห็นกี่อย่างเห็นยังไงเห็นมีกี่วิธีเนี่ยนะสามารถแทงตลอดในช่วงไหนได้บ้าง เพรันะนการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ต้อ ง, องชัดเจนจริงๆเพราะน ใ, นในวิสุทธิมัชปัญญานิเทศเนี่ยท่านบอกเลยนะว่าผู้ที่จะเจริญปัญญาเสกขาเนี่ยนะหรืออธิปัญญาหรื อ, รอพวกวิสุธทธิทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพึงทำการสั่งสมความรู้โดยเกี่ยวกับอุคหะการเรียนและปริปุจชาการสอบถามในในธรรมะทั้งหลายอันเป็นภูมิ อันเป็นภูมิก็คือเป็นอารมณ์ของของวิสุทธิเหล่านั้นเนี่ยนะคือเรียนมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะขันท่าอเยตนะสัจจะอินทรีย์ปิติ จ, จัสมุบบาทอาหารนามรูปเนี่ยนะมีความเข้าใจตั้งแต่เรียนตั้งแต่สอบถามมาอย่างละเอียดละอ่อและไม่มีที่ติดขัดแล้วทําวิสุทธิอันเป็นมูลทั้งสองทิฏฐิเป็นมูลก็วิสุทธิที่เป็นมูลมีสองอย่างคือศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิเนี่ยนะ เอามูลนีให้พร้อมบริบูรณ์เมื่อมูลพร้อมบริบูรณ์ทิฏฐิวิสุธทธิเป็นต้นจึงจักบริบูรณ์เนี่ยนะพในเรื่องของศีลก็เหมือนกันศีลเราจะต้องพื้นฐานเรื่องศีล น, นี่จะต้องบริบูรณ์ังนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะสา ม, มารถชำระศีล ใ, ให้บริสุทธิ์ได้จริงๆเขาบอกว่าคนที่เจริญวิปัสสนาตามตามวิสุธทธิมรรคเนี่ยนะ ก็บอกว่าถ้าศีลดีๆจริงๆอ่ะไม่นึกห่วงเลยว่าภพหน้าจะเกิดยังไงถ้าเราอธาิศีลดีนะถ้าตายวันนี้ก็ไม่กลัวเลยเพราะยังไงสุขคติเนี่ยหวังได้แน่นอนแ ต, แต่ว่าบางท่านอาจจะบอกอเบื่อเหลือเกินที่จะต้องเกิดอีกเนี่ยนะก็เบื่อเหลือเกินที่จะต้องตายจากศีลอย่างเงี้ยนะท่านก็ต้องต้องการจะทําให้กุศลธรรมชั้นสูง น, นั่นอ่ะมันเกิดขึ้นต่อไปแต่ถ้าชาติหน้าไม่แน่ใจแล้วถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าศีนไม่ดีแน่นอน เพราะยังยังอะไรยังวิปปิสารอยู่เนี่ยนะถ้าถ้าศีลดีจริงๆเนี่ยนะเขาเชื่อมั่นเนี่ยยังไงสุขติแน่นอนเมื่อเช้าอ่านถึงในมิลินทะปัญหากล่าวถึงว่าเขาบอกว่าคนมีทรัพย์เนี่ยนะสามารถเลือกซื้อบ้านเลือกเลือกอะไรเลือกได้หมดเลยเขาว่างั้นในในมิลินทะปัญหานะ กล่าวถึงว่าคนมีทรัพย์เนี่ยเลือกซื้อข้าวซื้อของซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออะไรเนี่ยสามารถเลือกได้เนี่ยนะว่าจะอยู่ตรงไหนล่ะจะเอาแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนอะไรยังไงคนเกี่ยวข้องแบบไหนถ้ามีทรัพย์จริงๆทําได้ฉั้นใดก็ดีคนมีศีลดีเป็นต้นเนี่ยนะเลือกเกิดได้จะเกิดที่ไหนดีล่ะเนี่ยนะจะเลือกเกิดในครันของนางกษัตริย์มหาสารก็ได้พรามมหมณ์มหาสารครือขบดีมหาศาล หรือว่าในสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นต้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้นะถ้าพื้นฐานว่ากุศลธรรมต้องดีจริงๆนะมั่นใจในกุศลจิตนั้นจริงๆว่าทํามาพอแล้ววะจนไม่กลัวอดแล้วว่างั้นทีนี้ถ้าอย่างเกี่ยวกับเรื่องอธิศีนเนี่ยนะอย่างที่เราเจริญเนี่ยอา้าวสินห้าเราก็รู้จักแล้วศีนแปดเราก็รู้จักแล้วก็นั่งใช้ใช้รอวันคืนให้ล่วงไปล่วงไปใช่ไหม นั่งรอเลยว่าเออหนึ่งนะเ อ, อวันนี้ขา่าสัตว์ไม่ได้ขา่ารักก็ไม่ได้รักกาเมยก็ไม่ผิดมูซาไม่หลอกใครสุราก็ไม่ดื่มเออสินชันดีแต่ว่าเพิ่งรักษาได้วันเดียวเออรอพรุ่งนี้ป ร, รือ น, นี้โอ้แล้วเมื่อไหร่สินมันจะเต็มสักทีเนี่ยแล้วแค่ไหนจึงจะพอล่ะเนีย่ยนะจึงจะว่าเต็มต้องรักษาสักยี่สิบปีก่อนนะหรือห้าสิบปีก่อนโอไม่ไหวแล้วรอไม่ได้แล้วผ่านไปปีนี่ยหรือว่าจะต้องแค่ไหน พราะฉะนั้นไอ้อธิศีและสิกขาจะเป็นตัวเข้ามาชำระเนี่ยนะอธิศีลสิกขาเพราะว่าในในอารมณ์เดียวเนี่ยพ่อภูนให้มีขึ้นเนี่ยนะทำให้กุศลศีลเกิดขึ้นได้เพราะว่าธาตุอารมณ์ใดๆก่อให้เกิดการผิดศีลอารมณ์นั้นก่อให้เกิดการมีศีลได้เนี่ยนพะพันการพิจารณาเรื่องศีลเนี่ยนะคนที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องเห็นโทษของการทุศีลและก็อนิสงค์ของการ รักษาศีลแล้วในขณะเดียวกันเนี่นะถามว่าเราจะต้องไปทุ่ศีลเองเองก่อนใช่ไหมจึงจะเห็นโทษต้องอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหเราต้องไปต้องไปให้รถชนก่อนนะเราจรึงจะรู้จักคําว่าเจ็บปวดอย่างนี้หรือเปล่ า, านะบางคนก็บอกว่าทําไมเป็นอย่างผมไม่รู้หรอกเขาว่างั้นโอ้ยเขาดูก็พอแล้วไม่ต้องไปเป็นหรอกแสดงว่าเออ่ ศีลสิกขากับอธิศีลเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันมันก็ต้องไปควบคู่กันไปเจนพาคือสิ่งเดียวกันมีฉะนั้นก็จะเป็นของธรมธรมดาเนี่ยครับปัญญาจิตทานศีลภาวนาเนี่ยซึ่งมีมาก่อนสมัยพระพุทธภาคทรงอุบัติขึ้นโดยซ้ำไ ป, ไปผู้ที่เป็น <c oughs> เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาธรรมดาเรนดานเอาคิดอีกในหนึ่งนะอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้นะลองเอา จะตุปปาริสุท่สินมาชําระดูนะสีลสังวรก่อนสีลสังวรก็คือเกี่ยวกับเรื่องกายะทุจริตกับวจีทุจริตเนี่ยนะก็มาเทียบเกียงดูว่าในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยนะสามารถทำกายะทุจริตข้อหนึ่งได้ไหมถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาทำได้ไหมอันน้นสองประเภทอธินาทานเป็นไปได้ไหม การเมสุมิฉาจาร น, นนะเกี่ยวกับเรื่องกายถ้าวาจาล่ะ ใ, ในบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยพูดเท็จได้ไหมคําหยาบได้ไหมสอเสียดได้ไหมเพอ้อเจอ้อได้ไหมแล้วที่เป็นอยู่นี้สามารถทําให้เกิดมิจฉาอาชีพได้ไหมเห็นไซึ่งทุจริตในการยัตทุจริตวจีทุจริตแล้วที่เป็นไปเพื่ออาชีพนั้นก็เป็นอาชีพไม่ไม่บริสุทธิ์ละอันนี้เป็น ลักษณะของศีลสังวรนนั้นผู้ที่อบรมเรื่องนี้สามารถตอบได้ทันทีเลยว่าถ้าปาณ า, าติบาจะปาณ า, าติบาได้เพราะอะไรอธินนาทานเนี่ยจะอธินนาทานได้เพราะอะไรถ้ า, ามิจฉาจาร์ก็จะเป็นได้เพราะอะไรถ้าจะมุสาวาทมุสาวาทได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยนะมีความเข้าใจเรื่องนี้ดีสามารถวิเคราะห์โดยโดยอะไรก่อนโดยธรรมะโดยโกถาสเนี่ยนะโดย อารมณ์โดยเวทนาและก็โดยมูลโดยทวารด้วยซ้ำไปเนี่ยนะโดยทวารเนี่ยนะแล้วก็โดยเรียกว่าโดยจิตด้วยนะถ้าหากว่าเป็นกิริยาหรือว่าเป็นอกิริยาเป็นสัญญาวิโมกหรือว่าโนสัญญาวิโมกนะในการทำผิดศีล น, นั้นๆจะต้องเอาพวกนี้มาวินิจฉัยทั้งหมดก่อน